ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องญาติ ที่เมืองพารานสีในรัชกาลๆ16 ปีจึง 2 เนื่องจากเมื่อถึงคราวทําพิธี 16 ปีก็ตายจากไป ในเป็นปีที่จะมีพิธีมงคลแก่ช้างที่ปุโรหิตราชสำนักๆ เราก็ได้ทันมาทำพิธีก็ได้ทันมาทําพิธีแต่อืม ขอเดชะลูก 16 เนื่องจากลูกชายของท่านปุโรหิตยังเด็กเกิน ภรรยาของปุโรหิตจึงได้เรียกลูกชายมาปรึกษากันล่วงลับไปแล้วครั้นใช่ จะได้รับพระพ่อของลูกและบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วคงไม่เป็นสุขแน่เพราะเราสองคนไม่สามารถรักษางานของตระกูลไว้ได้ถ้าอย่างนี้ตระกูลเราคงอืมอ่ะ คนจะทําต้องเรียนจบไตรเพศต้องมีความรู้เรื่องสูตรที่ 4 มีอยู่ที่แคว้นคันธาระแคว้นคันธาระ 120 โยชน์ที่แคว้นคันธาระนั้นมีเมือง แม่จ๋าวันนี้ลูกมั่นใจแล้วว่าลูกจะรักษางานของตระกูล แล้วกลับมาให้ทันวันทําพิธี ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ย่นระยะจากอืมเจ้าจะ มีท่านอาจารย์อย่าวิตกไปเลยซ้ำยังจะเรียนอืมท่านเจ้าคิด กล่าวคือหลังจากลูก 1,000 ตั้งแต่ฤคเวทยชุรเวทไปจนถึง 3 เวท ตอนนี้แสงเงินแสงทองเริ่ม<อ> ถึงเมืองพาราณสีแล้วภรรยาปุโรหิตดีใจมาก ยืนเด่นอยู่ในพระลานหลวง ในสถานที่ทำพิธีมงคลสถานที่ทําพิธีมงคลฝ่ายลูกชายของปุโรหิต เพราะมีเหตุผลอันใดเหรอพระเจ้าค่ะมีสิเพราะเอ่อขอเดชะ ฟอบาดเข้าพระทัยผิดพระเจ้าค่ะถ้าฟอบาดไม่เชื่อ ครั้นเห็นว่าไม่มีใครเสนอ เหมือนอย่างที่บิดาเคยได้รับมาทุกปีอย่างที่บิดาเคยได้รับมาทุก แม่ดีใจมากลูกก็ดีใจมากแม่ใจมากลูกก็ดีใจ ยิ่งควรรักษาอย่างยิ่งควรรักษาอย่างยิ่ง